วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายแทนฝ่ายกุศลผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติมาสร้างบุญบารมีที่เป็นเหตุที่สำคัญต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อการเข้าถึงพระนิพพานผู้ใดถ้าได้สร้างบุญบารมีได้ครบทั้งสิบประการ ผูนั้นจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองอย่างเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารสมัยที่พระ อ, องค์ทรงปฏิบัตินั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาชี้มาบอกทางสู่พระนิพพานพระองค์เลยต้องใช้บารมีที่พระ อ, องค์ได้เสริมสร้างมา ในทุกพพทุกชาติมาสนับสนุนในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานและก็สามารถทำได้สำเร็จได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้มาบอกมาสอนวิธีเข้าถึงพระนิพพานว่าจะต้องเข้าอย่างไร เพราะพระองค์ทรงมีธรรมก็คือบา ร, รมีทั้งสิบประการที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถทำให้พระ อ, องค์สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองถ้าใครอยากจะไปพระนิพพานด้วยตนเองคือบางภพ บ, บางชาติอาจจะมาเกิด แล้วอาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยังสามารถเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีบุญบารมีสะสมมาไว้ก็จะหลงทางกันจะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองก็ต้องรอจังหวะให้มีพระพุทธศาสนาให้มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มาบอกทางถึงจะสามารถไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความมั่นใจว่าอนาคตภพชาติต่างๆที่จะทำมาจะเป็นภพชาติที่พร้อมที่จะทำให้ได้เข้าถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องมาสร้าง บารมีสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาและได้ทรงใช้ในการบรรลุถึงพระนิพพานบารมีสิบประการนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีข้อที่สองก็คือคานบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมี ข้อที่ห้าก็คือเยวก่เมตตาทานศีลข้อที่สี่ก็คือเนคขมมะบารมีข้อที่ห้มมาก็คืออุเบกขาบารมีและข้อที่หกก็คือปัญญาบารมีอันนี้เป็นบารมีที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในใจโดยอาศัย บารมีอีกสี่ข้อที่เป็นเหมือนเครื่องมือสนับสนุนการสร้างบารมีต่างๆได้แก่อธิษฐานบารมีศัจจบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีจําเป็นที่จะต้องมีบารมีทั้งสี่ข้อนี้ในการสร้างทานบารมีเมตตาบารมีศีลบารมี เนคขมมาบารมีอุเบคาบารมีและปัญญาบารมีอธิษฐานสัจจะนี้เป็นของคู่กันอธิษฐานนี้แปลว่าการตั้งเป้าหมายหรือความตั้งใจว่าจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งให้เกิดเป็นผลขึ้นมาเช่นตั้งใจจะสร้างบารมีต่างๆเราก็ต้องตั้งอธิษฐาน ถ้าเราไม่ตั้งไว้เราก็จะไม่ได้ทำตามที่เราได้ตั้งไว้เช่นวันนี้ถ้าญาติโยมไม่ได้ตั้งอธิษฐานตั้งใจว่าจะมาวัดก็อาจจะไม่ได้มาวัดก็ได้เพราะอาจจะมีเพื่อนชวนมาให้ไปที่นั่นที่นี่แทนเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดพอมีใครมาชวนให้เราไปที่นั่นที่นี่เราก็สามารถไปกับเขาได้ แต่ถ้าเราได้ตั้งใจแล้วอันนี้ก็จะทําให้เราต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปวัดตามที่เราตั้งใจหรือว่าจะไปกับเพื่อนที่เข้ามาชวนเราให้ไปที่นั่นที่นี่ถ้าเราอยากจะมีความมั่นใจว่าเราจะต้องมาวัดอย่างเดียวไม่มีทางอื่นเราก็ต้องมีสัจจะเมื่อเราตั้ง อธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะมากรรมกับเราถึงเรียกว่าสัจจะอธิษฐานถ้าเรามีสัจจะก็คือความซื่อตรงต่อคำพูดต่อความคิดต่อความตั้งใจของเราเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจเรียกว่ามีสัจจะถ้าเราเปลี่ยนใจนี่เรียกว่าเราไม่มีสัจจะตั้งสัตตั้งไปแล้วอาจจะไม่ได้ทำตามที่เราตั้งก็ได้ การตั้งใจไว้ก็อาจจะไม่เป็นผลแต่อย่างใดแต่ถ้าต้องการให้การตั้งใจของเราอธิษฐานของเรานี้มีผลตามมา ค, คือมีการปฏิบัติตามมาเราก็ต้องมีสัจจะต่ออธิษฐานที่เราได้ตั้งเอาไว้สัจจะอธิษฐานจึงมักเป็นคำที่ไปควบคู่กันสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี อย่างตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะตัดสรุตอนที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้จะบำเพ็ญปฏิบัติไปจนกว่าจะบรรลุ ถ, ถึงพันนิพพานถ้ายังไปไม่ถึงก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมดก็จะไม่ไม่ยอมลุกจากที่นั่งอันนี้เปนั่นขาด อันนี้เป็นการผูกมัดใจไม่ให้ทะเลทลายไม่ให้หนีจากภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำคือการบำเพ็ญเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพาน mm. ถึงแม้จะเจอความทุกข์ยากลำบากขนาดไหน mm. ก็จะใช้บา ร, รมีอสองข้อก็คือวิริยะบา ร, รมีและขันติบา ร, รมี mm. วิริยะบา ร, รมีก็คือความภาคเพียง ความพยายามทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วถ้าไปเจออุปสรรคขวางกัน้นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากก็ไม่ท้อถอยใช้ขันติความอดทนสู้ไม่ถอยสู้ไปจนกว่าจะบรรลุ ถ, ถึงเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ได้นี่คือบารมีสี่ข้อที่จำเป็นที่จะต้องเป็นต้องมี เพราะเป็นเหมือนเครื่องมือเวลาที่เราสร้างบ้านก่อสร้างบ้านนี้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเรามีแต่วัสดุก่อสร้างแต่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็จะไม่สามารถสร้างบ้านขึ้นมาให้สำเร็จได้บ้านคือพระนิพพานก็เช่นเดียวกันการที่เราจะสร้างพระนิพพานขึ้นมาได้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องไม้เครืองมือก็คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยบารมีและขันติบารมีและวัสดุก่อสร้างบ้านะนิพานก็คือบารมีหกข้อนี้เองก็คือเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมี ี่คือบา ร, รมีทั้งสิบข้อด้วยกันที่เราต้องมาสร้างกันบ่อยๆสร้างกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราปรารถนาที่จะไปถึงพระนิพพานในภพใดภพหนึ่งถ้าไม่พบนี้ก็อาจจะเป็นภพต่อไปถึงแม้จะไม่มีพระพุตธศาสนาเราก็ยังสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านพระนิพพานของเราไปได้ทุกภพทุกชาติถ้าเรามีบา ร, รมี ทั้ง1ิบนี้ติดตัวไปกับเราดังนั้นเราก็ต้องมีความปรารถนามีอธิษฐานเป็นเบื้องต้นว่าจะอธิษฐานว่าทุกพพทุกชาติที่เราเกิดมานี้จะขอสร้างบารมีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วก็มีสัจจะความความจริงใจความแน่วแน่ต่อการ ตั้งอธิษฐานจะไม่เปลี่ยนใจเ่อดมาแล้วมีโอกาสก็จะสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีนิคัมภะบารมีโุเบขาบารมีปัญญาบารมีด้วยความขยันหมั่นเพียรเรียกวิริยะบารมีด้วยความอดทนด้วยคือความขันติบารมีค่อยๆสร้างไปตามกําลังของเราเบื้องต้นบารมีแรกที่เรา ควรจะสร้างกันก็คือเมตตาบารลีเมตตาบาลีนี้เป็นพื้นฐานของของบารมีทั้งปวงถ้าขาดเมตตาบารลีแล้วจะสร้างทานบามีก็ยากสร้างศีลบามีก็ยากถ้าไม่มีศีลบามีจะสร้างนิคัมมะสร้างปุเบขาสร้างปัญญาบามีก็ยากของเหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบันไดนั้นบันไดขั้นแรกของการสร้างบารมี ก็คือการสร้างเมตตาบารมี mm. เมตตาบารมีที่เราสวดกันนี้เป็นบทที่จะสอนเราให้รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไร mm. การสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา mm. เป็นการทบทวนวิธีการแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไร mm. เช่นเราสวดสเป mm. สตาเวลาหุนตุ ขอให้เราจงอย่ามีเวรมีกรรมกับสบรรพสัตว์ทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจให้เราไม่หลงไม่ลืมว่าเราต้องไม่จองเวรจองกรรมกับใครวิธีที่จะทำให้เกิดเมตตาวิธีที่จะปฏิบัติเมตตาก็เกิดเวลาที่เรามีความโกรธแค้นใครมีความอาฆาตพยาบาทแล้วเราจะไปจองเวรจองกรรมเราต้องรีบหยุด ด้วยการให้อภัยด้วยความเมตตาเมตตาก็คือการให้อภัยอาเวลาอาเวลาก็คือการไม่จองเวรวิธีไม่จองเวรก็คือต้องให้อภัยใครเขาจะทำร้ายเราขนาดไหนก็ตามเสียหายมากน้อยเพียงไรก็ตามเราต้องไม่จองเวรเราต้องอาเวลาโหนตุเพราะเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราระ ง, งับการจองเวรได้ใจที่รุ่มร้อนด้วยความอาคาตพยาบาทก็จะสงบตัวลงอันนี้เวลาสวนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้แผ่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากำลังแผ่เมตตากันอาเวลาโหรตุอาบยาปัชาโหรตุอานิคาโหรตสุสุขีอตานังปะลิหะรันตุ อันนี้เป็นวิธีการแผ่เมตตาการส่วนนี้เป็นการทบทวนหรือเป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไร<ม>การจะแผ่ต้องแผ่ด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทาเวลาที่เรามีเหตุการณ์โกรธแค้นโกรธเคืองใครเราเอาเวลาหหนตุไปเลย<ม>ให้อภัยไม่เอาเรื่องเอาราม ไม่จองเวรจองกรรมไม่ทะเละวิวาสไม่เอาแพ้เอาชนะกันแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยอมแพ้ยอมหยุดเย็นยอมแล้วใจจิตจะยอมแล้วใจหยุดจะหยุดต่อสู้กันเมื่อหยุดต่อสู้แล้วใจจิตก็จะเย็นสบายเย็นสบายนี้ก็เป็นคุณภาพของพระนิพพานอย่างหนึ่งจิตที่ร้อนนี้เป็นนิพพานไม่ได้จิตที่มีอาคาตพยาบาทนี้จะทาให้เป็นนิพพานขึ้นมาไม่ได้ จะทจิตให้เป็นนิพพานนี้ต้องเป็นจิตที่เย็นที่สงบที่ยอมหยุดเย็นที่ยอมเป็นที่ยอมแพ้เป็นพระเพื่อชนะนะเพื่อไม่ไม่ต้องการชนะเป็นมารนะต้องการแพ้เป็นพระนะอันนี้หนึ่งในการแผ่เมตตาก็คืออเวลาหอนตุอ บ, บุญปัปชาหอนตุก็คือไม่เบียดเบียนกันทําอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะ ไว่าด้วยทางกายทางวาจา ก, ก็ดีอย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนด้วยการกระทําของเรา<ม>อัปยาหนเถอัปยาปชาหนตุอานิคาหนตุอย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อ<ม>ื่นและข้อที่สี่สุขีอัตานังปริหานันตุให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นช่วงนี้เรากําลังส่งซอขอ้กันส่งความสุขให้ต่อกันแล้วกัน อันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาแผ่ด้วยการกระทมไม่ได้แผ่ด้วยการสวนอยู่ในบ้านคนเดียวอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทาผู้ที่รับการกระทาต้องรับรู้ว่าเราได้ส่งความสุขให้กับเขาเช่นถ้าเป็นวันเกิดเขาก็ส่งของขวัญไปให้เขาส่งขงนมนมเนยอะไรต่างๆไปให้เขามีความสุขจากการกระทาของเราจากการให้ของเรา นี่คือวิธีของการแผ่เมตตามีอยู่สี่ลักษณะอเวราหนตุไม่เบียดเบียนกันอเวไม่จองเวรกันอบบยาปชาหนตุไม่เบียดเบียนกันอานิคา้นตุโนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันและให้ความสุขต่อกันสุขีอตานังปะลิหะรันตุถ้าเราสามารถสร้างเมตตาทําทำเมตตาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใน ใ, นใจเรา จะมีอ น, นิสงฆ์มากมายตามมาทันทีเลยยังไม่ต้องไปถึงพระนิพพานแต่จะมีประโยชน์มีรางวัลที่เราจะได้รับจากการแผ่เมตตารู้สึกว่าแสดงไว้ถึงสิบข้อด้วยกันแต่ไม่สามารถที่จะนำมาเสนอได้ทั้งสิบข้อเช่นอ น, นิสงฆ์ของการแผ่เมตตาก็คือหนึ่งจะอยู่อย่างเป็นสุขหลับก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดารักษาคุ้มครองจะไม่ตายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเวลาจะบำเพ็ญจิตตะภาวนากิจก็จะสงบได้ง่ายแล้วก็ถ้าเวลาจะตายก็ไม่หลงเวลาตายไปก็ได้ไปสู่สุคติจะไม่ไปเกิดในอบายจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ ด้วยอำนาจของบารมีของเมตตาบารมีเพียงอย่างเดียวสามารถที่จะทําให้จิตใจนี้เวนว่าตายเกิดในสุคติไปจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานได้ น, นี่คือข้อที่หนึ่งเมตตาบารมีเมื่อเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นแล้วการให้ทานก็จะเป็นของง่ายเวลาที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี่เราจะไม่อยากจะเก็บเอาไว้เราอยากจะเอาไปให้คนอื่น อยากให้คนอื่นเขาได้มีความสุขเหมือนกับที่เรามีอันนี้ก็เป็นการทายเมตตาด้วยการทำทานทานบารมีอย่างเจ้าชายอย่างพระเวชสันดรท่านก็บําเพญทานบารมีท่านไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ท่านมีท่านกับมีความสุขจากการบริจาคสิ่งเหล่านั้นไปและด้วยอำนาจของทานบารมีที่ท่านได้สร้างไว้ เวลาที่ท่านตายไปท่านก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกูมารมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรออยู่อย่างสมบูรณ์มีปราสาทสามฤดูมีบริษั์บริวารคอยให้การรับใช้ดูแลตอบสนองความสุขต่างๆในทุกรูปแบบอันนี้ก็คือ ข้อที่สองของบารมีพอเรามีเมตตาแล้วเราก็จะทำทานได้ง่ายเพราะเรามีความสุขจากการที่ให้คนอื่นเขามีความสุขสุขขีณตานังปริหานันตุเมื่อเราทำทานได้แล้วการรักษาศีลคือการสร้างศีลบารมีก็เป็นของง่ายขึ้นมาเพราะคนที่ชอบทำบุญทำทานนี้จะไม่ชอบเบียดเบียนพูนั่นเอง จะไม่ชอบทำลายผู้อื่นก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในการมละเว้นจากการพูดปดและละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่างๆที่จะทำให้ขาดสติที่จะไม่สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ไปเบียดเบียนไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ ศีลบา ร, รมีก็จะมาง่ายรักษาคนที่มีทานบา ร, รมีแล้วนี้จะรักษาศีลบา ร, รมีได้ง่ายกว่าคนที่ยังไม่มีทานบา ร, รมีคนที่ยังไม่มีทานบารมีนี้จะเป็นคนหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ผู้อื่นอยากให้ตนเองมีความสุขไม่สนใจว่าคนอื่นจะสุขหรือไม่สุขจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรา ก็จะทำอะไรก็อาจจะไม่ไม่ไม่สนใจว่าไปทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าต้องทำบาปเพื่อให้ตนเองมีความสุขก็อาจจะทำถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีทานบารมีไม่ไม่เมตตาบารมีแต่ถ้ามีเมตตาบารมีมีทานบารมีแล้วการรักษาศีลการสร้างศีลบารมีก็จะเป็นของง่าย พรคนที่มีเมตตาคนที่ชอบทําบุญทําทานจะไม่ชอบทําบาสนั่นเองแล้วเมื่อเรามีศีลแล้วก็จะทําทให้เราจะแล่นเนคขมภะบารเมได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีศีล mm hmm. เพราะการสร้างเนคขมภะบารมีก็คือการเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดนั่นเอง mm hmm. เพิ่มอีกสามข้อสามข้อที่เพิ่มมานี้เป็นข้อห้าม ในการที่จะไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดนั่นเองคือยุติการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรดเพราะการเสพรูปเสียงกลิ่นรดนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ต้องคอยมีอยู่เรื่อยๆเวลาใดาที่ขาดรูปเสียงกลิ่นรดให้เสพแล้วเวลานั้นก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรดได้ เวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสกความทุกข์ก็จะไม่เกิดผูนะ้ที่ไม่ต้องการที่จะให้ใจทุกข์ก็ต้องรู้จักหักห้ามจิตใจด้วยการจเจริญเนกข ม, มะบรมีคือการออกจากการหาความสุขทางกามาลมุ่มทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆด้วยการถือศีลแปดรักษาศีลห้าได้แล้วรักษาอีกสามข้อก็ยังไม่เป็นของยากเยืนอะไรนะเพิ่มศีลข้อที่หก คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วรับประทานอาหารพออยู่พอกินพอเลี้ยงดูร่างกายก็พอแต่ไม่รับประทานอาหารตามความอยากแล้วข้อที่เจ็ดก็ละเว้นการหาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆและการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้ า, าพรด้วยเครื่องสำอางเครื่องน้ำน้ำมันน้ำหอมต่างๆเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะ เกิดความทุกข์ตามมาได้เวลาที่ไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้มาเสพได้แล้วข้อที่แปดก็คือไม่นอนมากเกินไปโดยไม่นอนบนเตียงสำราญเตียงที่มี ม, มีเบาะหนาหนานุ่มๆจะทำให้นอนมากเกินต่อความต้องการของร่างกายปกติร่างกายถ้าเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าได้พักผ่อนหลับนอนสี่สี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าบน ถ้านอนบนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆนะเป็นเตียงสำราญเป็นเตียงที่มีความสุขร่างกายได้พักพอแล้วแต่ใจจะไม่ยอมตื่นใจจะขอนอนต่อใจอยากจะเสพสุขจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆนะต่อวิธีแก้ก็คือต้องนอนบนพื้นที่เป็นพื้นแข็งปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย อันนี้ก็คือการสร้างเนขขมมะบารมีก็คือการหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่แน่นอนเมื่อมันไม่แน่นอนมันก็ต้องให้ความทุกข์กับเราวันใดวันหนึ่งเวลาที่เราต้องการมันแล้วมันไม่ให้มันไม่มีให้เราเสพถ้าเราไม่เสพเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่อย่างสบาย เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสกันถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราต้องไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิอยากจะไปสร้างอุเบกขาบารมีข้อต่อไปเราก็ต้องลาเว้นจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าเราเอาเวลาไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างอุเบกขาบารมีคือมานั่งสมาธิจริญสติ ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบเข้าฌานได้ใจก็จะมีอุเบกขาเป็นใจที่เป็นปาศักิความรักชังกลัวหลงอันนี้เรียกว่าอุเบกขาคือการไม่มีความรักชังกลัวหลงอยากเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำใจให้นิ่งสงบเป็นอัปปนาสมาธิหรือเข้ารูปฌานขั้นที่สี่รูปฌานขั้นที่สี่นี้ก็คือ ท่านอุเบกขานี่ถ้าจิตมีอุเบกขาแล้วจิตก็จะสามารถหยุดกิเลสได้ถ้ามีปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากกิเลสเกิดจากความโลภความโกรธความหลงก็สามารถใช้อุเบกขานี้หยุดกิเลสได้ทันทีแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะได้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังก็จะไม่สามารถเอามาใช้หยุดกิเลส ของตนได้เพราะไม่มีอุเบกขาจําเป็นที่จะต้องมีอุเบกขาก่อนแล้วถึงค่อยไปมีปัญญาไปพิจารณาให้เห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักเห็นนิจจังทุกขงังอนัตตาเมื่อเห็นว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากทุกเกิดจากความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยากได้ก็สามารถหยุดความอยากได้ด้วยอุเบกขาบารมีทันตีนี่ก็คือปัญญา บารมีทั้งหกข้อด้วยกันที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาโดยอาศัยอธิษฐานบารมีสัจจารมีวิรยิยบารมีและอุเบกขันติบารมีเป็นเครื่องมือเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วเราก็จะสร้างเมตตาบารมีได้ให้อาภาัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้ไม่ทำร้ายร่างกายจิตใจของผู้อื่นได้ ให้ความสุขกับผู้อื่นได้แล้วก็ทำบุญทำทานเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้ได้ไม่ไม่หวงไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็จะรักษาสีห้าได้ไม่ไม่ทำร้ายผู้ไม่เบียดเบียนผู้แล้วก็สามารถที่จะละรังนับการเสพการามได้รังนับการเสพรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็สามารถที่จะทําจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้สามารถที่จะคิดด้วยปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าทุกข์เกิดจากความอยากและสิ่งที่อยากได้มันล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท้าเข้าถึงขั้นนี้แล้วก็สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แล้วสำมัญนาโคโดมได้บําเพ็ญตอนที่อยู่ใต้โคนต้นโพตอนนั้นพระองค์มีเนคขมม์มีเนคขมมะแล้วท่านออกบวชแล้วมีเวขาบารมีแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่มีปัญญาบารมียังคิดพิจารณาไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอริยสัจสีหลังจากนั้นก็เราก็เริ่มพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาไปก็เริ่มเห็นทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและสิ่ง สิ่งที่อยากได้สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ไม่ถาวนไม่ยั่งยืนก็เลยหยุดความอยากหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปหมดมใจเมื่อใจไม่มีความอยากหลงเลยอยู่ในใจใจก็สงบเป็นบร ม, มีสุขขึ้นมาเป็นพระนิพพานขึ้นมา น, นี่ก็คือบารมีทั้งสิบข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาด้วยพระ อ, องค์เอง ในแต่ละภพแต่ละชาติจนถึงชาติสุดท้ายก็สามารถทำให้ผลสาเร็จขึ้นมาได้ก็คือบรรลุถึงพระนิพพานการตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และยังไม่สามารถที่จะสร้างพระนิพพานให้เสร็จได้ภายในภพนิชานี้ก็ควรที่จะ ให้ความสําคัญต่อการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ทั้งสิบข้อคือสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างอุเบกขาเมตในคขมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีด้วยอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิลายบารมีและขันติบารมี นี่คือบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายมาร่วมบรรพงศกันในวันนี้ก็ขอให้ทำต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาการแสดงก็สมควรต่อเวลาที่ได้กำหนดไว้คือประมาณ30นาทีด้วยกันในลำดับต่อไปเราก็จะมาสร้างอุเบกขาบารมีกันด้วยการมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบ ถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วเราสามารถหยุดกิเลสได้หยุดตัณหาได้ <c oughs> เวลาที่เราเห็นว่าทุกของเราเกิดจากความอยากเราก็หยุดตัณหาความอยากเท่านั้นเองพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่อยู่ในใจก็จะหายไปไม่ต้องไปแก้ความทุกข์ของเรากับผู้อื่นอย่าไปโทษคนนึ่งคนนั้นทาให้เราทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราให้เขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราต่างหา พอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาเสียใจเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากของเราอย่าไปอยากได้อะไรจากใครเมื่อเราไม่อยากได้อะไรจากใครแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ทําทให้ใจเราหยุดความอยากได้ก็ต้องทําใจให้นิ่ ง, งๆให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ไปบ่อยๆ อ, อยู่ไปเรื่อยๆต่อไปกําลังของสติกําลังของ สมาธิก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับจนสามารถหยุดตันหาความอยากหยุดความโลภความโกรธความหลงได้เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากปีเรศของเรานั่นเองไม่ได้เกิดจากใครทั้งสิ่งดั<ม>งนั้นต่อไปนี้เราจะมาทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยการใช้สติควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทําให้ใจในิ่งได้ อารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งเราเรียกว่ากรรมฐานมีหลากหลายกรรมฐานด้วยกันสี่สิบกรรมฐานแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติให้มีสติอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลานั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่แต่คำเดียวคือพุทโธพุทโธไปหรือถ้าจะดูก็ดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้ ดูที่หน้าท้องก็จะรู้ว่าเวลาลมเข้าก็พองขึ้นมาเวลาลมออกก็ยุบลงไปก็เรียกว่ายุบหนอพองเนอถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูเฉยเฉยไม่ให้ไม่ให้บังคับลมให้สั้นหรือยาวปล่อยให้ลมสั้นหรือยาวของมันเองหยาบหรือละเอียดก็ปล่อยให้มันหยาบหรือละเอียดของมันเพียงแต่รับรู้ไปเท่านั้นเองให้รู้เฉยเฉย แม้แต่ไม่มีลมก็ให้รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่ที่เดียวว่าตอนนี้ไม่มีลมให้ดูแล้วจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบต่อไปได้อย่าคิดอะไรอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เวลานั่งมีความรู้สึกอะไรก็ดีมีปิติมีสุขมีทุกข์อยากการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะนิ่งจะสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมา พอเป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรจิตก็จะอยู่เฉยๆไปจนกว่ากำลังของสติจะหมดลงก็จะถอนออกมาอัน<ม>นี้ก็คือวิธีการนั่งสมาธิโดยสังเกตต่อไปนี้เราจะมานั่งกันประมาณ2ี่สิบหนาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนจะเลิกก็สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้นั่งต่อได้เลย <c oughs> อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบด้วยความอยากจะสงบด้วยวิธีนั่งแบบวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็สแสดงว่าสติเรายังมีน้อยเหมือนเจริญสติก่อนมานั่งให้มากขึ้นในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ เริสติพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูอิริยาบถต่างๆของร่างกายไปแล้วต่อไปจะมีสติเพิ่มมากขึ้นถ้านั่งสมาธิก็จะสงบได้มากขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคขลงเอวเมวาอิตทินังเปตานังอุปการปติ เอขิตังปะิตังตุมังคิปเมวะสมิชฌาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติวิวัจันตุสัพพารโควินาสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะ อาภีวาธนะสีลิกสานิจังอุทาปจาย <Amen. S 1> ิโนจตารุทัมมาวัฏเตยอายุวันโอสุขังหาลังตาอไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 YouTube พระสุชาติไลฟ์สองร้อยหกสิบเจ็ดยูดอเตอร์วีสีสิบสามวิทยุออนไลน์เจ็ดคลับเฮาส์สองนากุติหนึ่งร้อยหกสิบแปดรวมทั้งหมด718ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติค่ะเมื่อคืนลูกนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเจ้าค่ะกลัวเสียงหมาหอนมากเจ้าค่ะ เสียงมันหอนโหยหวนนะ่ากลัวมากเจ้าค่ะลูกยังต้องนอนต่ออีกสองคืนกราบขออุบายลดความกลัวจากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เสียงลมพัดไม่เป็นไรนะพ อ, อะเสียงมาหอนเป็นขึ้นมาทันทีก็คิดว่าเป็นเสียงลมพัดก็แล้วกันไม่มีอะไรเสียงก็เป็นเสียงใจเราไปให้ความหมายมันเองให้มันเป็นผีบ้างเป็นบ้าบ้างเป็นบอบ้างอัิงจริงมันไม่เป็นอะไรเป็นแค่เสียง พระเจ้บอกว่าได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่ถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้พุทโธระงับความคิดปรุงแต่งไว้ก่อนความรู้สึกกลัวก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปคําถามจะพู้รับฟังนักุติค่ะ การเจริญสติด้วยการเดินจงกรมจะสามารถทําให้ใจเป็นอารมณ์อุเบกขาในขณะเดินได้ไหมเจ้าคะหรืออุเบกขาจะเกิดแต่เฉพาะการนั่งสมาธิเท่านั้นเจ้าคะถ้าอุเบกขาจริงก็ต้องเข้าสมาธิเข้าอัปนาสมาธิแต่ถ้าเป็นอุเบกขาเทียมก็ได้เวลาเรามีสติเราก็จะมีอุเบกขาในระดับหนึ่งเราจะไม่มีปฏิกิริยาด้วยความรักชังโกรง มันจะเบาลงแต่ยังมันยังไม่หมดแต่ถ้าเข้าสมาธิได้ น, นี่มันจะหายไปหมดเลยคำ ถ, ถามจะพูดแลบฟังน้ากุฏิค่ะถ้าเราดื้อกับพ่อแม่เราจะบาปไหมคะก็เป็นคนสอนยากทุนสอนยากก็จะเจริญยากเพราะคนเราต้องเรียนรู้กันก่อนไม่มีใครฉลาดมาถ้าฉลาดแล้วไม่มาเกิด <laughs> ถ้ายังไม่ถ้ายังเกิดก็แสดงว่างงยัางโง่อยู่เน้นอยากเป็นคนดือ้อพยายามรับฟังคําสั่งคําสอนของผู้ที่ผู้ใหญ่กว่าเราเขามีประสบการณ์มากกว่าเราคําถามจะพูดรับฟังน้กุติค่ะถ้าเราทานเนื้อสัตว์เราจะบาปไหมคะถ้าเราไม่ฆ่าไม่บาปนะแต่เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเอามาทำอาหารนี่ไม่บาปแต่อย่าไปฆ่าแล้ว เ, เอามาทานเนี่บาปอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่าไม่ได้อยู่ที่การ ทานหรือไม่ทานคำถามเะพูรับฟังนะกุติค่ะการวัดผลการปฏิบัติธรรมพิจารณาจากสิ่งใดได้บ้างครับก็กเกเรดน้อยลงความโลภความโกรธความหลงน้อยลงใจเย็นขึ้นเมื่อก่อนวู่ว่าเดี๋ยวนี้สบายเฉยๆใครจะวางไงก็ปล่อยวางไม่ไม่วุ่นวายไปกับเขาคำถามจากทางเฟซบุกค่ะ สัจจะบารมีกับอธิษฐานบารมีต่างกันอย่างไรคะออธิษฐานแปลว่าตั้งใจตั้งใจจะมาวัดถ้าไม่ตั้งใจก็จะไม่ได้มาแต่ถ้าตั้งใจแล้วก็จะมาตามที่เราตั้งใจสัจจะก็คือความซื่อตรงต่อการตั้งใจของเราว่าเราตั้งแล้วเราทําตามที่เราตั้งหรือไม่ถ้าเราทําตามที่เราตั้งก็แสดงว่าเรามีสัจจะถ้าเราตั้งแล้วไม่มาก็ถือว่าเราไม่มีสัจจะ คำถามจากทาง inbox ค่ะวิริยะบา ร, รมีต่างกับขันติบา ร, รมีอย่างไรคะดูเหมือนกันมากค่ะวิริยะบา ร, รมีก็คือความข ย, ยันไงข ย, ยันเดินจงกรมเดินทีสองสามชั่วโมงแล้วพอมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็ใช้ขันติอดทนเดินให้เดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเดินไม่ไหวจริงๆถ้าเดินไปแค่10นาทีรู้สึกเจ็บตรงนั้นเมื่อยตรง น, นี้แล้วก็เลิกแสดงว่าไม่มีขันติ มีวิริยะแตมม่มีวิริยะน้อยไม่สามารถทำให้มีวิริยะมากได้ถ้าไม่มีขันติคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าผู้ชายสามารถบวชได้เกินสามครั้งไหมครับเพราะทำงานเพราะทำงานประจำไม่สามารถไปบวชตลอดได้ถือโอกาสได้ไปบวชได้เฉพาะมีโครงการบวชให้กับพระ พันปีหลวงสิบวันครับส่วนคำว่าชายสามโบสเกี่ยวกับการบวชสามครั้งไห่ครับคือพวกนี้เป็นบวชเล่นไม่ใช่บวชจริงถ้าบวชจริงบวชคนเดียวคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือการทำลายการยึดมั่นในขันห้าให้วิญญาณท่าหรือจิต หลุดพ้นจากพันธากาลของขันของกองขันท่าทำให้จิตเกิดความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ให้เกิดดับอีกต่อไปนั้นถูกไหมครับคือการไม่ยึดติดในร่างกายปล่อยวางร่างกายให้มันแก่ให้มันเจ็ บ, ใ ห, จบให้มันตายโดยที่ไม่ไปกังวลไม่ไปกลัวมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันจากผู้รับฟังทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ กลับในมัสการพระอาจารย์เมื่อก่อนเร่งปฏิบัติจนเกิดความอยากตอนนี้เอาความอยากออกไปรู้สึกใจสงบขึ้นถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างครับได้อขอให้ปฏิบัติก็แล้วกันแต่อย่าไปอยากให้มันได้ผลเพราะผลบางทีมันอาจจะเกิดบางทีมันอาจจะไม่เกิดแต่ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆตามกาลังของเราคาถามจากทาง a c e บ o o k ค่ะเมื่อนั่งสมาธิแล้วเหมือนรู้สึกสงบ และเหมือนตาจะกระพริบและเหมือนตาจะลืมขึ้นมาเองเราจะต้องบังคับไม่ให้ลืมตาหรือปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็เราต้องมาที่กรรมฐานของเราอยู่ที่พุทโธพุทโธไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกายคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเห็นแล้วว่าโลกนี้ทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมตุติโลก โลกธรรมแปดไม่เที่ยงร่างกายทรัพย์สินเงินทองเป็นของยืมใช้แบบนี้สมควรออกบวชหรือยังครับอ้าวคุณต้องรู้คำตอบสิจ <c oughs> ะถามเราได้ยังไงเห็นจริงแล้วไม่เห็นจริงนะถ้าเห็นจริงก็บวชถ้ายังเห็นไม่จริงก็ยังไม่บวชคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะภาวนาจิตไม่ถึงฐานเป็นแบบไหนคะยังไม่สงบ ยังจิตไม่รวมจิตยังไม่เป็นอปปนาสมาธิคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะทำกุศลให้ถึงพร้อมหมายความว่าอย่างไรครับความดีทั้งปวงช่วงนี้มีคนเดินเข้ามาเชินเข้ามาถามได้เลยหาประจำจะต่างเข้ามาก็ได้นะค่ะคือว่า ตอนที่หนูนั่งสมาธิอะหนูเข้าแล้วหนูสงแบแป๊บเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าคาิกะสมาธิใช่ไหมค ะ, ะแล้วออพอหลังจากนั้นเหมือนมันก็ก็ไม่สงบเริ่มใหม่เริ่มใหม่พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ทำอีกรอบหนึ่งแล้วต่อไปมันก็จะนั่งสงบได้นานขึ้นแล้วหนูมีคำถามคือว่าพอหนูสงบอะคะเหมือนมันรู้สึกเหมือนมันตัดจาก เอร่างกายหมดเลยอะค่ะเชื่อค่ะเชื่อค่ะช่วงช่วงที่หนูสงบแต่ทีเนี้ยหนูมีปัญหาอย่างหนึ่งที่หนูอยากสอบถามค่ะอาจารย์คือเอ่อนี่แค่ครึ่งชั่วโมงเหมือนน้ําลายในปากหนูอะคะ่ะมันมันเต็มเหมือนมันผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะอย่าไปสนใจปล่อยมันไหลไปแต่ว่าเหมือนเหมือนพอมันไม่คืน่ะเหมือนมัน ก, ก็ก็เต็มแล้วมันก็ทําให้หนู่หลุดออกจากสมาธิเพราะเราไปสนใจมันไงอืเรากรรมที่กรรมาฐาน อยู่กับลมไปแล้วอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปไม่ต้องกังวลถ้าสมมติมันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลออกมามันไหลเครอพระอาจารย์มันเคยไหลไมไม่มันไม่ไหลเหรอเราไปคิดขึ้นมาเองมันมันมีวันหนึ่งที่หนูนั่งสูพระอาจารย์ที่บ้านนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เปลือนน้ําลายมันไหลออกมาเลยค่ะอถ้าเราไปคิดถึงมันมันก็จะไหลไม่ต้องกลัวไหลเดี๋ยวเราักนั่งสมาธิเราก็มาเช็ดมาล้างออกได้ แถ้าเราไปกังวลกับเรื่อง น, น้ำลายเราก็จะไม่มีความจะเข้าสมาธิได้ก็คือถ้ามันไหลให้ให้มันปล่อยให้มันไหลไปไม่ต้องไปสนใจยุ่งจะกัดเข้าไปมันกัดไปอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่กับลมไปหรืออยู่กับพุทโธไปค่ะขอคุยค่ ะ, ะ, ะคำถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะตัณหากับฉันทะตามกันอย่างไรคะ ตัญหาคือความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนฉันทานี้เป็นความอยากที่เป็นต้นเหตขุของความสุขใจเดังฉันท่นาเป็นธรร ม, มหหเป็นความยินดีที่จะทําในสิ่งที่จะทําให้จิตสงบทําให้จิตมีความสุขแต่ตัญหานี้เป็นความยินดีที่จะทําให้จิตร้อนทําให้จิตทุกข์ขึ้นมาต่างกันตรงนั้นอันนึงเป็นธรรมอีกอันเป็นกิเลสเลยใช้ชื่อต่างกันอามีเชิญคําถามไนดะ้ กี่บนบมมสการพระอาจารย์ค่ะบารมีสิบประการที่พระอาจารย์ได้เทศในเบื้องต้นไปแล้วค่ะอยากจะทราบถึงขั้น เ, เต็มขั้นที่เรียกว่าปารมัทธบารมีถ้าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าบารมีทั้งสิบประการเนี่ยคือบริบูรณ์สมบูรณ์เต็มเมื่อเราไปบวชได้แล้วตั้งสาจาัจจะอธิษฐานนั่งอยู่เฉยๆจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานได้ไขั้นสุดท้าย แสดงบามีเราเต็มสัจจะที่ฐานก็มีนี่ขมมะก็มีอ่อเบกขาก็มีเพียงแตขาดปัญญาในยต้องนั่งค้นหาปัญญานั่งภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนาไปจนกว่าจะดับความทุกข์ในใจให้หมดสิ้นไปได้ก็ตัดสุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเห็นอริยสัจสี่เห็นใตรักอย่างชัดเจนค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะ คนเราสามารถส่งกระแสจิตส่งถึงกันได้ไหมคะบางคนได้ถ้ามีอุปจารสมาธิอ่านจิตใจคนอื่นได้แต่คนอื่นที่ได้ถูกอ่านนี่อาจจะส่งมาไม่ได้เพราะไม่มีอุปจารสมาธิถูกเขาว่าแอบแอ บ, แอ บ, แอบฟังได้แอบรูได้ว่ากำลังคิดอะไร <c oughs> อย่างหลวงปู่มั่เนี่ยท่านมีความสามารถตรงนี้ท่านเคยเป็นภาวนาอยู่ที่ถ้าสาลิกามท่านอยู่ ในถ้ำบนเขาแล้วมีพ้าหลงตาร่วงอยู่ที่ศาลาด้านล่างเข า, าตอนคนืหนหลวงปู่มัน่นก็ส่งจิตมาดูว่าหลวงตาคิดอะไรก็คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาตอนเช้าหลวงปู่็เลยทักต้หน่อยว่าไปคิดถึงเขาทำไมไปกงังวลถึงเขาทำไมเขาก็ อ, อยู่ของเขาดีอยู่แล้วเราก็อยู่ของเราไปพอพูดเช่านี้หนีเลย <laughs> แล้วหลวงปู่มั่นท่านบรรลุด้วยอยาณวิถีแบบใดคะอย่างเช่นวิปัสนาทุกคนธรรมาะวิปัสนาค่อย่างอื่นไม่ได้พวกพวกกิเลสทีนี้มันลุบรรลุทาไม่ได้ไม่มีประโยชน์ทางธรรมใดอย่างไดอาจจะการเป็นกิเลสไปทําให้เราเสียเวลางั้นถ้าเรามีอย่าไปสนใจเดีย๋ยวชอบแผ่ฟังชาวบ้านให้มาภาวนาให้มาพิจารณาตายละกันนิจจังทุกขังอนัตตาไป ค่ะ แ, แล้วถ้าแบบว่าเหมือนเร า, เาพระที่พระอาจารย์สอนว่าไม่ให้ใช้พลังจิตทำร้ายผู้อื่นอันนี้ไม่ได้บอกไม่ให้ใช้พลังจิตหมายถึองอย่าอย่าไปเล่นกับอุ ป, อปจารสมาธิมันไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากนิพพานสู่นิพพานได้มันเสียเวลา แ้วเรื่องไม่ทําร้ายนี่มันมีนหรือไม่มีก็ห้ามทําร้ายอยู่แล้วอันนี้ต้องมีศีลคนมีศีลจะไม่ไปทําร้ายใครแต่ไม่เคยพูดว่าห้ามใช้อันนี้ไปทําร้ายคนไหนไม่เคยพูดอาจจะเข้าใจผิดแต่ห้ามห้ามยุ่งกับอิทีลฤต่างๆเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นมันไม่ได้ช่วยเผยแผ่าศาสนาให้คนสนใจอะไรอย่างนี้หรอคะช่วยได้แต่ต้องให้มันรู้ทำก่อน ให้บลุมรควุฒิานก่อนแล้วก็ใช้อิทธิฤทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าบางทีก็ใช้อิทธิฤทธิ์าองคุลีมาเ่านี้ก็ใช้อิทธิฤทธิ์อ๋อต้องช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ก่อนอใช่ไหมคะใช่ค่ ะ, ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะาธมีใครหมทงนี้ <laughs> อ่ามีอีกไหมคาถามถามมาคาถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายวิธีการดูกายตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะเราดูอาการสามสิบสองท่องผมขนเล็บฟันหนังไล่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงอาการฐานสิบสองตอนตอนก็นึกถึงชื่อเขาก่อนต่อมาก็นึกถึงภาพของเขาผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ตรงไหนอวัยวะต่างๆให้เห็นชัดเจน ด้วยตาในไม่ต้องด้วยตานึกภาพขึ้นมาในใจของเราแล้วต่อไปเวลาเราเห็นใครเราจะเห็นทั้งสาสองอาการคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจิตรวมคือแบบไหนคะอาการเป็นแบบไหนคะจิตเน่งสงบไม่คิดปรุงแต่งมีคำถามอีกหนูอยากถามว่าที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเรา ทานเรามีสิบอะรลอง ข, ขันให้อภัยอะค่ะแต่ถ้าหนูให้อภาัายเขาแล้วแต่หนูไม่อยากยุ่นเกี่ยวหรืออะไระมันจึงคือการติดอยู่หรือเปล่าคะไม่ติดหรอกถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยกันบเราเราก็อยู่ห่างๆได้อยังงูนี่เราไม่ไปฆ่าเขาตายแต่เราก็ไม่ให้เขาอยู่กับเราใช่ไหมวราจับไปขังกงแล้วก็จับไปปล่อยในป่าถ้าเราปฏิเสธการที่เขาชวนไปไหนแล้วเราอก็ดูไม่ผิดก็อยู่<ช>ที่ว่ามันมีเรามีหน้าที่ต้องไปกับเขาหรือเปล่า อ๋อถ้าไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้ามีความรับผิดชอบมีหน้าที่มีสัญญาว่าจะต้องไปไหนด้วยกันก็ต้องไปกับเขาก็คือเรื่องสัญญาทำตามหน้าที่ที่เราต้องทำแต่ว่าใจเราไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับเขาอ่าก็เฉยเฉยไปเป็นกิริยาค่ะสนับปฏิบัติค่ะโอเคมีนะ่ะคถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะ หลวงพ่อสอนให้พิจารณาพุทโธโดยไม่ต้องกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทโธในที่นี้หมายถึงให้คิดพุทโธในใจถี่ๆใช่ไหมคะใช่ถี่ก็ได้ไม่ถี่ก็ได้แล้วแต่ช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการถวายของพระสงฆ์จะถวายยาพื้นฐานมีข้อห้ามหรือข้อแนะนําอย่างไรคะยาอะไรนะ่ย ยาค่ะยาพื้นฐานมีข้อห้ามหรือไม่ไม่มีข้อห้ามถวายได้ตลอดเวลาถ้าเป็นอาหารนี้ถวายหลังเทีวันไปแล้วไม่ได้ถ้าจะถวายต้องฝากลูกศิษย์ไว้แล้วลูกศิษย์จะทำถวายตอนเช้าให้หมนแล้วใช่ไหมค่ะยังไม่มีคำถามใหม่ระยะยาวครั้งนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ